วันเวลาผ่านไปผ่านไปเหมือนกับกระแสน้ําที่ไหลไปอย่างไม่หยุดหย่อนไหลไหลไปแล้วก็ไม่ไหลกลับเวลาก็เช่นเดียวกันเวลาเมื่อผ่านไปแล้วก็จะไม่กลับมาเป็นอดีตไป เช่นอีกสองวันก็ถึงวันสิ้นสุดของพันศาสอง2ห้ากสิบสองหลังจากนั้นก็จะไม่มีพันศาปีสอง2ห้าอกสบสองอีกแล้วกลายเป็นอดีตไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันต่อไปก็จะกลายเป็นอดีตไป อดีตมาหาเศรษฐีอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตประธานาธิบดีอดีตนางงามจักรวาลอดีตดาราภพาพยนตร์ทุกอย่างในที่สุดก็ต้องกลายเป็นอดีตไปท่านเปรียบเทียบเวลาเหมือนกับงูพิษงูงูยักษ์ที่จะขมือศัตรูเสงศัรูสัตว์ทั้งหลาย ไปให้หมดไม่ว่าอะไรจะรุ่งเรืองใหญ่โตขนาดไหนเวลาก็จะเกินไปหมดจะกลายเป็นอดีตกรุงสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีถูกเวลากลืนกินไปหมดเราต่อไปก็จะถูกเวลากลินกินไปหมดเช่นเดียวกัน ดังนั้นนักป่าจึงสอนให้พวกเราอย่าอยู่เฉยๆโดยไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์เพราะถ้าไม่ทำประโยชน์ก็ไม่เกิดประโยชน์ก็มีอยู่สองแบบประโยชน์ที่ยังจะต้องถูกเวลากลืนกินไปกับประโยชน์ที่เวลากลืนกินไปไม่ได้ นักป่าทางพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาสร้างประโยชน์ที่เวลาเกินกินไปไม่ได้ประโยชน์ที่เวลาเกินกินไปไม่ได้คืออะไรก็คือประโยชน์ทางจิตใจประโยชน์ทางร่างกายนี้จะต้องถูกเวลาเกินกินไปหมด เป็นมหาเศรษฐีเดี๋ยวก็ต้องกลายเป็นอดีตไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีก็จะต้องถูกเวลาเกินกินไปหมดประโยชน์ทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเป็นประโยชน์ที่จะต้องกลายเป็นอดีตไปจะต้องหมดสิ้นไป นักปราชญ์จึงไม่สนใจที่จะมาสร้างประโยชน์ทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสนักปราชญ์ผู้ฉลาดจะมุ่งไปสู่ประโยชน์ทางจิตใจเพราะประโยชน์ทางจิตใจเนี่ยวันเวลาคืนกินไปไม่ได้นั่นเองพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในขณะนี้ พาาระอรหันตสาวกก็ยังเป็นพาาระอรหันตสาวกอยู่ไม่ได้เป็นอดีตพระพุทธเจ้าถ้าเรามีพลังจิตเรายังติดต่อกับพระพุทธเจ้าได้ติดต่อกับพาาระอรหันตสาวกได้แต่เราติดต่อกับอดีตไม่ได้กลับไปที่กรุงศรีอยุธยาไม่ได้ กลับไปก็ไม่ได้เป็นกรุงศรีอยุธยาเป็นซากปรักหักพังของกรุงศรีอยุธยาพระพุทธเจ้าจึงสงสอนให้พุทธศาสนิกชนรีบเอาเวลาที่จะกลายเป็นกลายเป็นภัยนี้มาทำประโยชน์ก่อนที่มันจะมา เกินกินชีวิตของพวกเราไปตอนนี้มันยังไม่ได้กินเราเอาเวลานี้มาทําประโยชน์ได้และควรทําประโยชน์ทางจิตใจเพราะเป็นประโยชน์ที่เราเอาไปกับเราได้เวลาที่เวลามาเกินกินร่างกายของพวกเราไปมันก็จะเกินกินแต่ร่างกาย เกินเกินแต่ทรัพย์สินสมบัติข้าวของเงินทองเกินเกินครอบครัวของเราไปแต่มันจะไม่สามารถเกินกินจิตใจของเราไปได้จิตใจของเราเป็นอะไรก็จะเป็นต่อไปพระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้พวกเราหมั่นระลึกถึงการ เปลนไปของเวลาของการเคลื่อนไหวของเวลาว่าเวลามันจะมาเขมือบร่างกายเราไปทีละเล็กทีละน้อยต่อไปร่างกายเราก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บและในที่สุดก็ต้องตายไปพอถึงเวลาแก่เวลาเจ็บหรือเวลาตายนี้เราทําประโยชน์กันไม่ได้ ตอนนี้เรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายมีความพร้อมที่จะทำประโยชน์ทางจิตใจควรหันมาศึกษาวิธีทำประโยชน์ทางจิตใจจะดีกว่าไปทำประโยชน์ทางร่างกายทางาลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นประโยชน์ชั่วคราว ที่เราไม่สามารถที่จะเอาติดไปกับใจของเราได้เวลาที่ร่างกายของเราถูกเวลาเกลนกินไปหมดจงระลึกถึงความตายอยู่เรื่อย เ, อยเพื่อความไม่ประมาทถ้าเราลืมความตายเราก็จะคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อย แต่เราไม่รู้หรอกว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตก็ได้หรือพรุ่งนี้ก็ได้ไม่มีใครที่จะมากำหนดเวลาตายของตนได้ความตายนี้เกิดได้ทุกเวลานาทีจึงควรที่จะระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเพื่อความไม่ประมาท พอเราเลอกถึงความตายว่าเราอาจจะตายวันนี้อาจจะตายในชั่วโมงข้างหน้านี้เราจะได้รีบมาทำประโยชน์ทางจิตใจเพราะเรารู้ว่าเราสามารถเอาประโยชน์ทางจิตใจไปกับเราได้ถ้าเราไม่คิดถึงความตายเราก็อาจจะคิดว่าโอ้ยเรายังหนุ่มยังสาวอายุยังไม่มาก เรายังมีเวลาเหลืออีกหลายสิบปีด้วยกันตอนนี้มาทำประโยชน์ทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสไปก่อนดีกว่าไว้เวลาใกล้ๆจะตายแล้วค่อยมาทำประโยชน์ทางจิตใจถ้าคิดแบบนี้ก็เป็นคิดแบบคนที่ประมาทคนที่ไม่รู้ความจริงว่า ความคิดของเรานี้มันไม่ตรงกับความจริงเสมอไปต้องดูคนที่เขาตายตั้งแต่อายุยังน้อยเขาเคยคิดหรือเปล่าว่าเขาจะต้องตายตอนที่เขาอายุยังน้อยเขาก็คิดเหมือนเรานี่และเขาก็คิดว่าเราจะต้องแก่ตายไปต้องจะอยู่จะต้องอยู่ถึงอายุแปดสิบเก้าสิบร้อยปีเราไปดูสิ มีคนตายทุกอายุเลยเกิดมาวันหนึ่งตายก็มีเจ็ดวันตายก็มีเดือนหนึ่งตายก็มีปีหนึ่งตายก็มีมีทุกอายุทุกวัยที่เกิดความตายขึ้นมาได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่หลงไม่ประมาทเราจะได้รีบมาทําประโยชน์ ทางจิตใจจะดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าวันสุดท้ายของชีวิตของเราจะมาถึงเมื่อไรถ้าเรามัวแต่เอาประโยชน์ทางร่างกายทางลาบยศสรรเสริญเราก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีเวลาเราตายไปเวลาตายไปเราก็ไปแบบมือเปล่าไปแบบขอทาน ไปเหมือนพวกที่อพยศออกจากประเทศไปเวลาเกิดสงครามในประเทศพวกที่ไม่เตรียมทรัพย์สินไว้พอถึงเวลาเกิดสงครามก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ <Yeah. S 1> ก็ต้องไปอยู่ตามค่ายอบพยศ <Yeah. S 1> แต่พวกที่คิดเผื่อเวลาไว้คิดเผื่อไว้ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในประเทศที่จะทำให้อยู่ไม่ได้ เขาก็เตรียมทรัพย์สินที่จะเอาติดตัวไปได้ถ้าไปฝากเงินต่างประเทศได้ก็ไปฝากไว้ที่ต่างประเทศถ้ามีถ้าเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศได้ก็เปลี่ยนเอาไว้พอถึงเวลาที่จะต้องออกนอกประเทศก็ไปอย่างสบายมีทรัพย์สินติดตัวไปหรือมีทรัพย์สินรออยู่ข้างหน้า ไปก็อยู่อย่างสบายไม่ต้องไปอยู่ตามค่ายอบพยศอ่า น, นี่ก็เหมือนกันจิตใจของพวกเราต่อไปก็ต้องโยกย้ายออกจากร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้ต่อไปก็จะเกิดภาวะสงครามขึ้นมาภาวะที่จะทําให้ร่างกายนี้ล่มสลายไปคือความแก่ความเจ็บความตายอถ้าเราไม่เตรียม จะเบียงเตรียมทรัพย์สินที่เราติดตัวไปได้เราก็จะไปอยู่แบบขอทานไปอยู่แบบคนที่อยู่ตามค่ายอพยพยต่างๆไม่มีความสุขไม่มีทางไปไม่รู้จะไปไหนไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะไปตามที่ต่างๆที่ควรจะไปได้ พระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันสอนให้เราให้เห็นความสำคัญของจิตใจยิ่งกว่าความสำคัญของร่างกายประโยชน์สุขทางร่างกายสู้ประโยชน์สุขทางจิตใจไม่ได้ประโยชน์สุขทางจิตใจมีพลังมีกำลังมากกว่าประโยชน์สุขทางร่างกาย และสามารถเอาติดตัวไปได้ประโยชน์สุขทางร่างกายนี้เอาไปไม่ได้พอถึงเวลาที่ร่างกายถูกเวลากลืนกินไปประโยชน์สุขทางร่างกายก็หมดสิ้นไปแต่ประโยชน์สุขทางจิตใจยังไม่หมดพระพุทธเจ้าจึงสละราชสมบัติตั้งแต่อายุเพียงยี่สิบเก้าปีเท่านั้น พระ อ, องค์เห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายพระ อ, องค์จึงไม่ประมาทเพราะพระ อ, องค์ไม่รู้ว่าความแก่ความเจ็บความตายนี้จะมาถึงตัวได้เมื่อไหร่ดังนั้นพอมีเหตุการณ์ที่ต้องไปถ้าอยู่ก็อาจจะไปไม่ได้คือมีลูก ลูกก็เป็นเหมือนบ่วงองค์ทรงตัดว่าบ่วงเวลาที่ได้ทราบข่าวว่าพระมเหสีได้คลอดพระราชาโอรสทรงตัดคำว่าราหุนภาษาบาลีแปลว่าบ่วงถ้าไม่หนีไปก็จะถูกบ่วงนี้ลัดตตัวทำให้ไปไม่ได้ จึงตัดสินพระไทยสเสด็จออกจากพระราชวังไปในคืนนั่นเลยคืนที่ได้ฟังข่าวได้รับข่าวว่าพระเมหสีได้ลอดพระราชโอรสแล้วถ้าอยู่ถ้าเห็นพระราชโอรสจิตใจก็จะเกิดความผูกพันขึ้นมาเมื่อเกิดความผูกพันแล้วก็จะทาให้ไป ไม่ได้ก็เลยต้องไม่ไปดูไม่แปลาไม่ไปบอกใครเพราะถ้าบอกก็จะถูกห้ามจะทำให้ไปไม่ได้นักปราชญ์ฉลาดคิดอครอบคอบว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าพูดออกไปพูดแล้วเกิดปัญหาสู้อย่าพูดดีกว่า บอกแล้วเกิดปัญหาอย่าบอกดีกว่าพอไม่บอกไม่พูดก็ไม่มีปัญหาไปได้อย่างสบายไปสร้างประโยชน์ทางจิตใจเพียงเวลาหกปีพ่อองค์ก็สร้างประโยชน์ทางจิตใจได้สำเร็จได้ประโยชน์อย่างสูงสุดทางจิตใจคือได้ตัสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้สิ้นกิเลสผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในไตพบอีกต่อไปผู้ที่จะอยู่ในพระนิพพานที่มีแต่บรลมัสุขที่ไม่มีการเสื่อมไม่มีการหมดเป็นความสุขที่เป็นความสุขที่ถทาวรนจนบัดนี้ พระไทยของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่กับพระนิพพานอยู่อยู่กับความสุขของพระนิพพานอยู่อยู่กับบรมมสุขอยู่อันนี้แหละเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีที่แท้จริงเพราะได้รับความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก ก็ได้ความสุขปลอมได้ความสุขชั่วคราวได้ความสุขในขณะที่ร่างกายยังไม่ตายพอร่างกายตายหรือร่างกายเจ็บความสุขก็หายไปหมดนี่แหละคือประโยชน์ทางร่างกายกับประโยชน์ทางจิตใจพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าประโยชน์ทางร่างกายนี้ ไม่ได้เป็นประโยชน์ที่แท้จริงประโยชน์ทางจิตใจเป็นประโยชน์ที่แท้จริงจึงมุ่งไปสร้างประโยชน์ทางจิตใจไม่ได้ให้ความสำคัญกับประโยชน์ทางร่างกายและส่งมุ่งประโยชน์ของตนก่อนไปสร้างประโยชน์ของตนให้ให้ถึงพร้อมก่อนเมื่อได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ถึงมาสร้างประโยชน์ของผู้อื่นอีกทอดหนึ่งพอได้ตัดสลุทางสู่การหลุดพ้นแล้วก็นำมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ไม่รู้ต่อไปผู้ที่ไม่รู้พอได้ยินได้ฟังวิธีที่จะทำให้จิตใจได้หลุดพ้นเจ อ, กออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติ พอปฏิบัติก็ได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันเป็นจำนวนมากเนละถ้าพระพุทธเจ้าไปพยายามช่วยคนอื่นก่อนก่อนที่จะช่วยตนเองพระพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถช่วยคนอื่นได้อย่างเต็มที่เพราะความรู้ตอนที่เสด็จออกบวชนั้นยังเป็นความ รู้ขั้นต่ำอยู่ยังไม่สามารถสอนจิตให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้ามัวไปสอนคนอื่นก็สอนให้เขาหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้อาจจะสอนให้เขารักษาศีลสอนให้เขานั่งสมาธิได้แต่จะสอนมากไปกว่านั้นสอนไม่ได้ พระ อ, องค์จึงไม่ไปสอนใครในช่วงที่ทรงสร้างประโยชน์ให้กับพระ อ, องค์เองพระ อ, องค์ต้องการสร้างประโยชน์อย่างสูงสุดให้ได้สำเร็จก่อนคือต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนี้เองถ้ายังไม่ได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพระ อ, องค์ก็จะไม่ไปสอนใครแต่พอหลังจากที่ได้หลุดพ้นจาก กองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในไตพบแล้วพระองค์จึงเริ่มสั่งสอนผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นตามลำดับต่อไปพระองค์จึงทรงตัดไว้ในปัจฉิมโมวาดว่ า, าสังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยง เ, เกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมดา จงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาะเทเถิดทรงเน้นประโยชน์ของตนก่อนจงรีบไปปฏิบัติไปศึกษาไปปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาตัวที่พาให้มาเกิดแก่เจ็บตายให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจก่อนพอทำได้สำเร็จแล้ว ค่อยไปสอนผู้อื่นไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปถ้าตัวเองยังช่วยตัวเองไม่ได้จะไปช่วยคนอื่นได้อย่างไรเช่นถ้าว่ายน้าไม่เป็นจะไปช่วยคนที่จมน้ำได้อย่างไรถ้าไปช่วยเดี๋ยวก็จมไปด้วยกันทั้งคู่ดังนั้นต้องหัดว่ายน้าให้เป็นก่อนให้แข็งก่อนจนสามารถเป็นไลฟ์การ์ดได้ พอเป็นไลฟ์การ์ดได้ก็ไปคอยช่วยคนที่จะจมน้ำได้ทันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นไลฟ์การ์ดก่อนเป็นพระพุทธเจ้าก่อนหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ก่อนพอหลุดแล้วทีนี้ก็ไปช่วยคนที่ยังเกิดแก่เจ็บตายอยู่ให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ แล้วได้ช่วยอย่างมากมายก่ายกองจำนวนพระอริยบุคคลพระอาหารหันนี้ถ้านับมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่รู้กี่ล้านแล้วถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตดรัส่ยก็จะไม่มีวันที่จะสามารถสอนใครหรือช่วยเหลือใครให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย จะไม่มีศาสนาพุทธปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ศาสนาพุทธนี้ปรากฏขึ้นมาได้อยู่ในโลกนี้ได้มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงเน้นประโยชน์ของตนก่อนทรงศึกษาทรงปฏิบัติจนหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ก่อนถึงมาช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปน ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่าไปวิตกกังวลต่อคำคพูดหรือความคิดที่ว่าเห็นแก่ตัวอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องของลำดับขั้นตอนของการดำเนินสร้างประโยชน์ต้องสร้างประโยชน์ให้ตนเองก่อนถึงจะเอาประโยชน์มาเผยแผ่มาแจกใจ่ายให้แก่ผู้อื่นได้ ถ้าเราไม่มีเงินทองเราจะเอาเงินทองมาจากคนอื่นได้อย่างไรเราต้องไปหาเงินทองก่อนพอเราได้เงินทองมาเหลือกินเหลือใช้เราก็เอามาแจากใจ่ายให้ผู้อื่นต่อไปได้พระพุทธเจ้าตอนต้นยังไม่มีธรรมก็ต้องไปหาธรรมก่อนพอได้ธรรมแล้วเป็นมหาเศรษฐีทางธรรมแล้วทีนี้ก็เอาธรรมมาแจากใจ่ายให้กับ สัตว์โลกแจกจ่ายอย่างไม่อั้นไม่มีปริมาณจำกัดใครต้องการมากน้อยเท่าไหร่มารับไปได้นี่แหละมหาเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกคือพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่แจกจ่ายก็มีคุณค่าราคามากยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่มีอยู่ในโลกนี้ ทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองนี้ไม่สามารถกําจัดความทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้จํากัดกาจัดได้ก็เฉพาะความทุกข์ที่เกิดจากการอดอยากขาดแคลนในปัจจัยสี่สามารถช่วยบรรเทาความทุกข์จากการขาดแคลนปัจจัยสี่ได้ไม่มีอาหารก็มีเงินไปซื้ออาหารมากินได้ ไม่มีเสื้อผ้าก็มีเงินไปซื้อเสื้อผ้าได้ไม่มีที่อยู่อาศัยก็มีเงินไปซื้อที่อยู่อาศัยได้ไม่มีเงินนักษาโรคภัยใก้เจ็บก็ไปมีเงินไปซื้อมาได้นี่คือความประโยชน์ทางร่างกายทำได้เพียงแต่ดูร่างกายเข้าของเงินทอง เศรษฐีแจกเวลาเศรษฐีแจกเขาแจกอะไรนะเขาก็แจกปัจจัยสี่นะ เ, เวลาที่ไหนมีภัยทางธรรมชาติเนะี่ยก็ส่งข้าวของไปช่วยกันนะส่งปัจจัยสี่ส่งอาหารส่งยารักษาโรคส่งเครื่องใช้ไม่สอยอะไรต่างๆไปช่วยเหลือแต่ก็ช่วยเหลือได้เพียงทางร่างกาย ความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ใจนั้นช่วยไม่ได้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้วิเศษกว่าวิเศษตรงที่สามารถช่วยกาจัดความทุกข์ใจให้หายไปหมดได้เลยธรรมะนี้จึงมีคุณค่าราคามากกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวง เพราะทำสามารถกำจัดความทุกข์ของใจได้อย่างหมดสิ้นอย่างราบคาบถึงแม้ร่างกายจะอดอยากขาดแคลนก็จะไม่ทำให้ใจทุกข์ได้เลยใจสามารถอยู่กับความอดอยากขาดแคลนอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยและอยู่กับความตายได้อย่างไม่สะทกสะท้านอย่างไม่มีความ ทุกใจเล ย, เลยนี่แหละมหาเศรษฐีที่แท้จริงคือพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้สแสวงหาธรรมะอันประเสริฐพอได้ธรรมะแล้วก็ไม่หวงไม่เก็บเอาไว้เอามาแจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการผู้ที่ต้องการก็มาสามารถรับไปได้จากพระพุทธเจ้า และพอได้ทมแบบที่พระพุทธเจ้าได้แล้วก็มาเป็นมาเศรษฐีช่วยพระพุทธเจ้าอีกทอดหนึง่งภาษา v o ทั้งหลายพระอรหันตสาวกทั้งหลา ย, พ อ, าาาลายพอท่านได้เป็นพระอาหารหันตสาวกแล้วท่านก็เอาธรรมที่ท่านได้นี้มาแจากจ่ายให้กับผู้ที่ยังไม่มีธรรมอีกทอดหนึง่งจึงทำให้มีพระอาหารหันต์ปรากฏขึ้นมา อย่างต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัยมีพระอาหารหันต์มาบรรลุธรรมแล้วก็เอาธรรมที่ได้บรรลุนี้มาสอนผู้อื่นผู้อื่นพอน้อมนำเอาไปศึกษาน้อมเอาไปปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันตามกันมาตามลำดับจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้เช่นยุคของหลวงปู่มั่นเนี่ยพระอาจารย์มั่นที่เรา ลูกศิษย์สายวัดป่าคงจะรู้จักกันท่านถือว่าท่านเป็นเหมือนพ่อของของสายวัดป่าในปัจจุบันท่านผลิตลูกที่เป็นพระอาหารหันต์เป็นจานวนมากแล้วลูกของท่านก็ไปผลิตหลานที่เป็นพระอาหารหันต์เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนี่แหละคือวิธีการทำประโยชน์ที่ได้ประโยชน์จริงๆได้ประโยชน์ที่ จะอยู่กับใจจะเป็นของใจไปตลอดอย่าไปทำประโยชน์แบบคนง่อคนไม่ฉลาดคนง่อคนไม่ฉลาดจะมุ่งไปทำประโยชน์ทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลเพรพะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทา ให้ตนเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ตนเองก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปต้องมาทุกข์มาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าจึงทรงตัดว่าจงยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิด การที่จะทำให้ตนเองไม่ประมาทก็ต้องหมันระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆพอถ้าเราลืมความตายเราก็จะคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆแต่ไม่ไม่มีใครรู้แน่นอนวันดีคืนดีเกิดอาการเจ็บท้องเจ็บศีรษะขึ้นมาไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นโรคอะเป็นโรคร้ายเสียแล้วและอาจจะรักษาไม่ได้ นี่มันจะเกิดขึ้นได้ทุกอายุไขไม่ใช่จะว่าจะเป็นโรคร้ายตอนที่แก่เพียงอย่างเดียวคนหนุ่นคนสาวเด็กก็ยังเป็นโรคร้ายกันได้่างนั้นเพื่อความไม่ประมาทขอให้เราคิดว่าเราอาจจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะต้องตายไปในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ตอนนี้เรายังไม่ตายเรารีบมาทำประโยชน์ ทางจิตใจดีกว่าอย่าไปทำประโยชน์ทางร่างกายเลยเสียเวลาเปล่าๆพอตายไปก็เอาติดตัวไปไม่ได้มาทำประโยชน์ทางจิตใจดีกว่ามารีบทำประโยชน์กัน น, นี่คือการไม่ประมาทต้องมันและลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ พระพุทธเจ้าถามพระอานอนท์ว่า อ, อนอนท์วันหนึ่งเธอระลึกถึงความตายสักกี่ครั้งอานอนท์ก็บอกว่าสี่ห้าครั้งสามสี่ครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนพระพุทธเจ้าบอกอานอนท์เธอยังประมาทอยู่วิธีที่จะทําให้เธอไม่ประมาทก็คือเธอต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็บอก ก็คิดว่าถ้าไม่หายใจออกก็ตายเนีหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายเนี่ยความตายมันอยู่ที่ลมหายใจเหล่านี้เองอยู่ที่ปลายจมูกของเรานี้เองมันไม่ได้อยู่ไกลเลยพอหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นถ้าคิดอย่างนี้แล้วจะทําให้เราเห็นว่า เสียเวลากับการไปทำประโยชน์ทางร่างกายทางลาบยศสรรเสริญพอตายปุ๊บเอาไปไม่ได้เลยร่างกายก็ไปไม่ได้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก็เอาไปไม่ได้สามีภรรยาบุตรทิดาครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายก็เอาไปไม่ได้รางวัลต่างๆก็เอาไปไม่ได้ ความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายก็อเอาไปไม่ได้ถ้าไม่มีความสุขทางจิตใจไปก็จะไปแบบยาจกไปแบบขอทานที่จะต้องมาเล่ดอนมารอรับความสุขจากคนที่ยังมีชีวิตอยู่คนที่ทำบุญทำทานอุทิศบุญอุทิศความสุขส่งไปให้นั่นเองถ้าคิดอย่างนี้แล้ว จะได้หันมาศึกษาประโยชน์ทางจิตใจว่าทำอย่างไรถึงจะสร้างประโยชน์ทางจิตใจให้เกิดขึ้นมาได้ถ้ามาศึกษาเราก็จะได้ยินได้ฟังมักคือทางที่จะพาเราไปสู่ประโยชน์อันสูงสุดทางศาสนาคือการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากกะการเกิดแก่เจ็บตายผู้ที่ปรารถนาที่จะไปทางนี้จําเป็นจะต้องไปทางของมรรคแปดหรือทางของศีลสมาธิปัญญาหรือทางของทานศีลภาวนาเป็นทางเดียวกันมรรคแปดกับศีลสมาธิปัญญานี้เป็นอันเดียวกันเพียงแต่ ศีลสมาธิปัญญานี้จะย่อส่วนลงศีลก็ประกอบด้วยสัมมากรรมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาคือการกระทําที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องอาชีพที่ถูกต้องอันนี้รวมอยู่ในกลุ่มของศีลนะส่วนกลุ่มของสมาธิก็คือ สัมมาวายาโมความภาคเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติความร ล, ลึกที่การร ล, ลึกรู้ที่ถูกต้องสัมมาสมาธิการตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องอันนี้จะรวมอยู่ในกลุ่มของสมาธิคือเพียรสร้างสติเพื่อให้เกิดสมาธิให้จิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบ อยู่ในอุเบกขานั่นเองอันนี้เป็นกลุ่มของสมาธิแล้วก็ส่วนกลุ่มของปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาทิฏฐิก็คือความคิดที่ถูกต้องสัมมาสังความความเห็นที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคือความคิดที่ถูกต้องก็คือ มีความเห็นว่าการทําประโยชน์ทางจิตใจนี้เป็นการกระทําประโยชน์ที่แท้จริงนั่นเองการทําประโยชน์ทางร่างกายทางราบยศสรเสสุขเป็นการกระทําประโยชน์ที่ปลอมไม่ใช่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงนี่คือความเห็นที่ถูกต้องเมื่อเห็นว่าการกระทําประโยชน์ทางจิตใจที่ถูกต้อง ก็จะคิดทำประโยชน์ทางจิตใจเลิกคิดทำประโยชน์ทางร่างกายอาคอยทำมาหากินหาเงินหาทองหาอะไรมาล่ำรวยหรือไม่ล่ำรวยก็ยังเจอความทุกข์อยู่เหมือนเดิมยังทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้อยู่สู้ลองมาเปลี่ยนวิธีทำแบบพระพุทธเจ้าดีกว่ามาทำประโยชน์ทางจิตใจ นี่เรียกว่าปัญญาส ม, มาทิิส ม, มาสังกรปรนี่เป็นส่วนประกอบขององค์ปัญญา ม, มารรคแปดจึงย่อมาเหลือสามได้คือศีลสมาธิและปัญญาส่วนมรรคอีกทางหนึ่งมีอยู่สามเหมือนกันแต่เป็นสามสามบวกหนึ่งคือบวกทานเข้าไปด้วย อันนี้ท่านก็ส่งแสดงเป็นทานศีลภาวนาทานก็คือการทำบุญทำทานสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองศีลก็เหมือนกับศีลของในมรรคแปดในศีลสมาธิปัญญาภาวนาก็แบ่งเป็นสองส่วนภาวนาสมถาพภาวนาก็เป็นการฝึกสมาธิวิปัสสนาภาวนา ก็เป็นการฝึกปัญญาฉะนั้นทานศีลภาวนานี้ก็เป็นเหมือนศีลสมาธิปัญญ า, ญญาเพียงแต่มีเพิ่มทานขึ้นมาอีกข้อหนึ่งสำหรับผู้ที่ยังหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู mm. ่เพราะจะยังหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง mm. ก็จะไม่สามารถไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่นั่นเอง mm. ก็จะ ยังรักยังหวงประโยชน์ทางร่างกายอยู่ประโยชน์ทางทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอยู่ก็ต้องสละประโยชน์ทางร่างกายไปให้ได้โดยการหัดทำบุญทําทานเริ่มต้นจากทีละเล็กทีละน้อยไปเมื่อทำแล้วจะเห็นว่าทำให้จิตใจทุกน้อยลงจใจสบายขึ้นไม่ต้องดิ้นหลนหาเงินมาก ก็จะเห็นว่าการหาเงินหาทองนี้มันไม่ได้เป็นการปลดเบิื้องความทุกข์แต่เป็นการสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆในจิตใจพอสาระทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปได้ทีนี้ใจก็โล่งเบาสบายสามารถไปปฏิบัติภาวนาไปรักษาศีลได้นนี้ทาง ที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายจึงแบ่งเป็นสองเลนสองช่องทางช่องทางสำหรับผู้ที่สามารถไปได้เร็วผู้ที่ได้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปแล้วคือพวกที่ไปบวชนั่นเองพวกนักบวชนี้เขามีเงินทองมากน้อยเพียงไรเขาก็ทำทานไปหมด เขาจึงไม่ต้องมาปฏิบัติทานเขาไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เต็มที่เลยส่วนผู้ที่ยังหวงเงินหวงทองอยู่ยังติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่ก็จะไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่ได้อาจจะไปได้เป็นพักๆเป็นช่วงๆ ว, วันไหนว่างก็อาจจะไปอยู่วัดไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา เดี๋ยวก็ต้องกลับมาดูแลทรัพย์สินมาดูแลเข้าของเงินทองต่างๆก็จะวิ่งวิ่งเข้าวิ่งออกผลที่จะได้รับก็เลยไม่เป็นกอบเป็นกำรรได้เพียงแต่รู้จักวิธีปฏิบัติแต่ยังไม่สามารถที่จะตักตวงประโยชน์ประโยชน์สุขได้อย่างเต็มที่เนี่ย แต่ต่อไปเมื่อเห็นว่าการกระทาแบบนี้มันจะทำให้เนอนช้าจะทำให้ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางก่อนที่เวลาจะมาเขาเมือเอาร่างกายไปก็ได้ก็อาจใชสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดเลยเก็บไว้เท่าที่จำเป็นถ้าไม่ได้บวชก็เก็บไว้สําหรับค่าใช้จ่ายทางด้านปัจจัยสี่ แต่จะไม่ต้องไปทำมาหากินไม่ต้องไปหาเงินหาทองไม่ต้องไปหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองเอาเวลามาหาความสุขจากการปฏิบัติประโยชน์ทางจิตใจคือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาดีกว่าทางสายกลางหรือทางที่พาไปสู่การสิ้นสุดของกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้จึงแบ่งเป็นสองช่องทาง ช่องทางหนึ่งสำหรับคารวะผู้ครองเรือนผู้ยังติดกับทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองอยู่กับอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นนักบวชผู้ที่ไม่มีภาระที่จะต้องเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองพวกนี้ก็จะไปช่องขวาเพราะจะไปได้เร็วกว่าพวกที่เป็นนักบวชนี้ถ้าไปศึกษากับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจะรับประกันให้เลยว่าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนส่วนพวกที่ยังปฏิบัติทานศีลภาวนาอยู่นี้ยังไม่รับประกันเพราะยังยังไม่ปฏิบัติเต็มร้อยเต็มที่นั่นเอง ยังแทงกักไว้อยู่ยังรักพี่เสียดายน้องอยู่ยังอยากหาความสุขทางร่างกายอยู่แล้วก็ยังอยากจะหาทางหาการหลุดพ้นจากกองทุกขนน์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ก็แบ่งเป็นสองพักสองสองฝักสองฝ่ายเดี๋ยวก็กลับมาอยู่บ้านเดี๋ยวก็ไปวัดเข้าๆออกๆออ ก, ก็เหมือนเดินหน้าถอยหลัง สังเกตดูถ้ารถต้องวิ่งเดินหน้าถอยหลังนี่จะไปถึงไหนวิ่งไปได้สักพักอา่าวต้องถอยหลังอีกแล้วพอถอยหลังได้สักพักอา่าววิ่งเดินหน้าไปอีกแล้วมันก็ไปไม่ถึงไหนถ้าอยากจะไปแบบไปให้ถึงจุดหมายปลายทางก็ไม่ต้องถอยหลังไม่ต้องใส่เกียร์ถอยหลังใส่แต่เกียร์เดินหน้าไปอย่างเดียวก็ต้องสละทรัพย์สมบัติไปไม่ต้องมาคอย คอยกลับมาดูแลทรัพสมบัติมาดูห้องแถวเมียดูที่ดินมาดูคอนโดมาดูอะไรต่างๆมาดูแลหรือมาหาเพิ่มเติมมันก็จะทําให้ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางทางด้านประโยชน์ทางจิตใจพระพุทธเจ้าจึงไม่รับรองพวกนี้ไม่รับรองพวกที่ปฏิบัติทานศีลภาวนาเพียงแต่ เพียงแต่สนับสนุนเชื้อเชิญถ้ายังไปแบบเต็มร้อยไม่ได้ก็เอาแบบนี้ก่อนดีกว่าไม่ไปเลยถึงนม้ว่าจะเดินหน้าไปถอยหลังบ้างอย่างน้อยก็จะได้รู้จักวิธีเดินหน้าว่าเดินไปอย่างไรต่อไปพอไม่ใส่เกียร์ถอยหลังก็จะได้เดินไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวถ้าไม่ทาอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเวลาอยากจะไปจริงๆจะไปไม่เป็น เขาไม่ได้ไปฝึกฝนอบรมไว้ก่อนก่อนที่จะไปเป็นนักบวชได้นี่ควรจะฝึกเป็นนักบวชซะก่อนบวชบวชใจก่อนเนี่กายยังไม่ต้องบวชเนี่ยแต่ถ้าพอพร้อมแล้วพอรู้แล้วว่าบวชได้แล้วอยู่แบบนักบวชได้แล้วไม่ยึดติดกับทรัพสมบัติเก้าของเงินทองแล้ว ทีนี้ก็สละสมบัติไปให้หมดเลยก็เหลือแต่ศีลสมาธิปัญญาที่จะต้องปฏิบัติต่อไปนี่คือทางสู่การหลุดพ้นเบื้องต้นถ้าเป็นศรัทธายาตโยมก็ควรลดปริมาณการใช้เงินไปกับการสร้างการเวียนว่ายตายเกิด ใช้ยังไงถึงเรียกว่าเป็นการสร้างภพชาติสร้างการเวียนว่ายตายเกิดก็ใช้ตามความอยากนี่ใช้ตามความอยากกา ม, มาตัณหาอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันนี้แหละเป็นการสร้างภพสร้างชาติเพราะเป็นเหมือนกับการไปซื้อยาเสพติดพอซื้อยาเสพติดแล้วมันก็จะติดนมันก็จะต้องคอยซื้อมาเสพอยู่เรื่อยๆเมันก็จะติดอยู่กับการ ซื้ อ, อยามาเสพก็เหมือนกับการติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนะพอเมื่อติดรูปเสียงกลิ่นลดก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายพอร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มีตาหูจมูกลิ้นกายมาเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดใหม่นั่นเองนะเราต้องการตัดวงจรนี้เราก็ต้องอย่าไปใช้เงิน ซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้เอาไปซื้อความสุขทางใจเลยดีกว่าเป็นความสุขที่หนักแน่นกว่าที่มากกว่าที่นอนกว่าความสุขที่ได้จากทางตาหูจมูกลิ้นกายคือความสุขที่ได้จากการทําฐานนี้เองเงินก้อนเดียวกันเนี้ยเอาไปทําบุญกับเอาไปเที่ยวนี่ผลต่างกัน เอาไปทำเอาไปเที่ยวแล้วทำให้จิตใจหิวโหยต่อไม่ได้อิ่มยังหิวโหยกับการไปเที่ยวต่อแต่ถ้าเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญทำทานความหิวโหยไปเที่ยวจะไม่มีเพราะเกิดความอิ่มใจสุขใจที่เกิดจากการทาทานถ้าทำบ่อยๆต่อไปความอยากที่จะไปเที่ยวไปซื้อความสุขตามความอยากก็จะหมดไป ก็จะเห็นว่าเงินทองที่มีอยู่นี้ไม่รู้จะไปใช้ทําอะไรดีเพราะไม่ต้องการไปซื้อความสุขแบบยาเสพติดแล้วก็เอาไปทําบุญทําทานให้มันหมดเลยดีกว่าเก็บเอาไว้เท่าที่จําเป็นแล้วก็ไม่หามาใหม่แล้วเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจนชูเอา เวลาไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาดีกว่าก็จะไปวัดไดเ้เมื่อไม่มีภารกิจการงานหาเงินหาทองเมื่อไม่ต้องเอาเงินทองที่หามาได้ไปใช้ตามความอยากก็จะมีเวลาไปวัดไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมได้นี่อันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งของผู้คลองเรือนที่จะต้องการสร้างประโยชน์ทางจิตใจ ต้องพยายามตัดการใช้เงินตามความอยากให้ได้เอาเงินที่จะใช้ตามความอยากนี้ไปทาบุญทาทานแทนแล้วต่อไปใจจะไม่หิวกับการทำอะไรตามความอยากก็จะทำให้ไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาใช้อยู่เรื่อยๆก็จะมีเวลาที่จะไปอยู่วัดได้ไปศึกษาไปปฏิบัติได้เนี่ยไรักษาศีลแปดได้ เบื้องต้นต้องพยายามตัดการใช้เงินตามความอยากมันอยากซื้อกระเป๋าซื้อลองเท้าซื้อของไม่จำเป็นก็แบบเดียวกันมันก็อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสของกระเป๋าของรองเท้านี่เองอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลินกายอยากไปเที่ยวอยากไปกินไ ป, ไปดื่มไปดูไปฟังไปเล่นอะไรต่างๆอันนี้เป็นความสุขทางตาหูจมูกรินกาย เป็นความสุขตามความอยากที่จะพาให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราตัดได้นความอยากที่จะพาให้เรามาเกิดมันก็จะน้อยลงไปส่วนหนึ่งความอยากที่จะใช้เงินทองก็จะหมดไปเมื่อไม่มีความอยากใช้เงินทองก็ไม่ต้องหาเงินทองนั่นเองเมื่อไม่ต้องหาเงินทองก็มีเวลาที่จะมา มาศึกษามาปฏิบัติธรรมขั้นต่อไปได้คือขั้นศีลสมาธิปัญญาได้เบื้องต้นก็อาจจะทำสลับกันไปก่อนล mm. mm. ดล ด, ด, ด, ดการใช้เงินตามความอยากหลงเอาเงินที่จะใช้ตามความอยากไปทาบุญที่วัดแล้วก็ถื อ, ถอโอกาสช่วงที่ไปทาบุญที่วัดไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมแม้จะเป็นเพียงชั่วคราวก็เป็นท่านของการศึกษา การทดลองถ้าไม่ศึกษาไม่ทดลองก็ยังจะไม่รู้ว่าจะทำได้หรือไม่แล้วทำแล้วจะได้อะไรก็จะไม่รู้เป็นเหมือนไปชิมอาหารก่อนไปชิมรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงว่ามันชนะจริงหรือไม่ก็ต้องไปศึกษาวิธีรักษาศีลแปดรักษาอย่างไรเพราะต้องถือศีลแปดเพื่อที่จะได้ห้ามไม่ให้ใจ ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะมีเวลาที่จะมาฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบนะก็ต้องฝึกวิธีทําใจให้สงบว่าทําอย่างไรก็จะเรียนรู้เรื่องสติพอสตินี้เป็นเหมือนเบรคของรถยนต์รถยนต์นี้จะหยุดได้ต้องมีเบรกค ถ้าไม่มีเบรกนี้หยุดรถดยนต์ไม่ได้ชันใดถ้าต้องการทำใจให้นิ่งให้สงบให้หยุดคิดก็ต้องมีสติมีเบรกมาหยุดความคิดนก็จะมาหัดสร้างสติกันมาหัดสร้างสติด้วยการใช้กรรมฐานเป็นอารมณ์กรรมฐานนี่เป็นเครื่องพัฒนาสติถ้าอยากมีสติต้องใช้กรรมฐานกรรมฐานก็คือการนึลกถึงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เช่นเราเลือกถึงพระพุทธเจ้าเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจถ้าใจเราเกาะติดอยู่กับคำบริกรรมพุทโธใจก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ความคิดต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปและจะหยุดได้ในที่สุดถ้าเราบริกรรมพุทโธไปแบบไม่หยุดเหมือนกับการเบรกรถนี่ถ้าเราเหยียบเบรกแบบไม่ปล่อย เดี๋ยวรถมันก็ต้องจอดต้องหยุดแต่ถ้าเราไม่เหยียบปั๊บแล้วก็ปล่อยมันก็วิ่งต่อได้ฉะั้นถ้าต้องการหยุดรถยนต์นี้เราจะต้องเหยียบเบรกไปจนกว่ารถยนต์จะหยุดเราถึงจะปล่อยเบรกได้ฉันใดถ้าเราต้องการให้ความคิดหยุดคิดต้องการให้จิตเข้าสมาธิเข้าสู่ความสงบเข้าสู่รถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเราก็ต้องบริกรรมพุทโธแบบไม่หยุด บริกรรมไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวความคิดมันก็จะหยุดพอหยุดแล้วจิตก็จะสงบจิตก็จะเป็นสมาธิจิตก็จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงคือรถของความสงบที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ว, ว่านัติสันติปรังสุขขังสุขอื่นเหนือกว่าความสงบไม่มี ความสงบนี่แหละความสุขที่เกิดจากความสงบนี่แหละเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพอเราได้สัมผัสกับรสของความสงบแล้วที่นี้เราจะติดใจแล้วเหมือนกับได้ชิมอาหารอันวิเศษแล้วทีนี้รู้แล้วว่าอาหารอันวิเศษนี้อยู่ที่ไหนทีนี้ก็ไม่ไปกินที่อื่นแล้วกินร้านนี้อย่างเดียวร้านนี้ให้อาหารที่เลิศที่วิเศษกว่าร้านทั้งหลายจะไปเสียเวลาไปกินร้านอื่นทาไม เมื่อได้กินอาหารที่มีรสอเ็จอร่อยกว่าร้านทุกร้านในโลกนี้ก็จะมุ่งไปที่ร้านนี้หรือสาขาของร้านนี้อันนี้ก็เหมือนกันพอได้เข้าวัดได้ศึกษาวิธีเจริญกรรมฐานวิธีเจริญสติจนสามารถนั่งสมาธิทาใจให้สงบใจเข้าสู่สมาธิระดับอัปปนาสมาธิได้เบื้องต้นก็อาจจะได้คณิกะสมาธิก่อน ได้ชื่วแวบหนึ่งชั่หมูแลบลินก็เป็นเหมือนได้ชิมรสของธรรมว่าเป็นอย่างไรพอได้ชิมนะทีนี้ก็อยากจะให้มันสงบนานๆก็จะขยันเจริญสติบ่อยๆขยันเจริญสติให้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะหาเวลาไปอยู่วัดเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น พอได้เจิสติมากขึ้นมากขึ้นเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้นานขึ้นต่อไปก็จากคณิกะสมาธิก็จะมาเป็นอัปปนาสมาธิต่อไปก็จะสงบทั้งวันทั้งคืนได้ถ้าเราปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเบื้องตอนนี้ยังไม่ต้องไปคิดถึงปัญญาวิปัสสนาอันนี้ยังไม่ถึงเวลา ช่วงแรกนี้สร้างฐานสมาธิให้แน่นปึงก่อนให้มันสงบได้ทั้งขณะที่เข้าและออกมาออกมาก็ให้มันติดออกมาเหมือนน้ำเย็นที่เราแช่อยู่ในตู้เย็นต้องแช่ไว้นานๆให้มัน ม, ม, มีน้ำแข็งเกาะเลยเป็นน้ำแข็งเลยถ้าแช่มันเป็นน้ำแข็งเวลาออกมาจากตู้นี้กว่าจะหายเย็นมันนานพอมันจะหายเย็นก็เอากลับเข้าไปแช่ใหม่ นี่คือวิธีรักษาความสุขที่ได้จากความสงบต้องรักษาแบบนี้ต้องหมั่นเข้าสมาธิเข้าไปนานๆเพื่อเวลาที่ออกมาจะได้เย็นนานๆพอจะหายเย็นก็ต้องกลับเข้าไปใหม่ก่อนทำอย่างนี้ไปจนเราสามารถควบคุมอุณภูมิของจิตใจให้เย็นได้ตลอดเวลาเย็นทั้งขณะที่เข้าสมาธิและเย็น ขณะที่เราออกจากสมาธิมาถ้าใจเย็นแล้วเวลากิเลสมามาล่อมายั่วยวนกลนใจสู้กับมันได้เดี๋ยวรูปสวยเสียงสวยเสียงงามมาให้สัมผัสมันก็จะเกิดกิเลสขึ้นมาแต่พอมีความเย็นความสงบนี้มันไม่หิวโหวยเหมือนเมื่อก่อนถ้าไม่มีความเย็นความสงบนี้มันหิวโหวยกับอารมณ์ต่าง พอได้สัมผัสกับรูปสวยได้ฟังเสียงที่ไพเราะมันก็จะเกิดกิเลสเกิดความอยากขึ้นมาอย่างรุนแรงแต่ถ้ามีความเย็นของใจมันก็จะทําให้ความอยากนี้มันไม่รุนแรงและสามารถกําหลาบกําจัดได้ด้วยปัญญาต่อไปด้วยการพิจารณาว่ารูปเสียงกินรสนี้มันเป็นของชั่วคราวมันได้ให้ความสุขชั่วคราว พอมันหมดไปมันจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาพอรู้ว่าการไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะทำให้เกเจอความทุกข์ก็ไม่ไปดีกว่าสู้ทาใจให้เย็นดีกว่าชูบริกรรมพุทโธพุทโธเอาใจเข้าไปในตู้เย็นดีกว่าให้ใจเย็นให้อยู่กับความสงบดีกว่าใจก็จะเลิกความอยากต่างๆได้แล้ว น, น, นี้คือขั้นปัญญาขั้นที่สอง แต่ไม่ใช่ขั้นที่เราทำกันแบบนี้ทุกคนคิดว่าพอนั่งสมาธิปั๊บจิตสงบปั๊บไปทางปัญญาเลยอันนี้เป็นเป็นการคิดไปเองแต่แนวทางของการปฏิบัติกว่าจะไปขั้นปัญญาได้นี้ต้องให้สมาธิมันแน่นมันเย็นตลอดเวลาก่อนไม่ใช่พอเข้าไปปั๊บน้ำเย็นหน่อยรีบเอาออกมาใช้แล้วยังไม่ทันเย็นเลยออกมาแป๊บเดียวก็หายเย็นนะ สังเกตไหมเวลาอยากจะกินน้ำเย็นเร็วๆใจร้อนเอาไปแช่ปั๊บหนึ่งรีบเอาออกมาแล้วแล้วเป็นไงเย็นไหมไม่เย็นเย็นนิดเดียวต้องใจเย็นๆการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ใช่รีบร้อนมีขั้นมีตอนของมันส่วนใหญ่นี้ขั้นสมาธิยังไม่ได้กันทั้งนั้นเน่ยที่ญาติโยมนี่ร้อยทั้งร้อยนี่ขั้นสมาธิยังไม่ยังไปไม่ถึงไหนเลยจะไป จะไปขั้นวิปัสสนาแล้วถ้าเป็นนักวิ่งก็ยังเป็นเด็กล้มลุกคลุกขานอยู่จะไปวิ่งมาราธอนแล้วไปได้ยังไงมันเดินยังยังล้มลุกคลุกขานอยู่เลยหัดยืนให้ได้ก่อนหัดเดินให้ได้ก่อนหัดวิ่งให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปแข่งมาราธอนจิตก็เหมือนกันถ้าจิตยังไม่เย็นยังไม่สงบมันอย่าไปสู้กับกิเลสเลยสู้มันไม่ได้หรอกแพ้มันร้อยเปอร์เซ็นตนี่ ต้องพยายามสร้างจิตให้เย็นให้สงบให้มีอุเบกขาตลอดเวลาก่อนแล้วพอกิเลสโผล่ขึ้นมาเนี่ยจะได้ใช้อุเบกขาใช้ปัญญาสองนันต้องใช้ต้องมีอุเบกขาแล้วต้องมีปัญญาปัญญาจะบอกว่าเป็นทุกข์ถ้าไปทำตามกิเลส อุเบกขาก็จะเป็นตัวคอยเบรกใจไว้ไม่ให้ไปถ้าไม่มีอุเบกขาถึงแม้ปัญญาบอกเป็นทุกข์มันก็ไม่เชื่อเชื่อกิเลสมากกว่าเชื่อเชื่อธรรมเพราะมันหิวโหวยอย่างน้อยเชื่อกิเลสในเบื้องต้นก็ได้กินได้อิ่มหนำสำาราญใจแต่ทุกข์ทีหลังก็ช่างหัวมันเหมือนกับคนซื้อของทุกวันนี้นผ่อนไว้ก่อนแล้ว 10% ก็ได้ของแล้ว ที่มาทุกตอนหลังเวลาไม่มีเงินผ่อนนะแต่ไม่แต่มันเป็นเรื่องของกิลเลสถ้ามไม่อยู่ถ้าคนมีอุเบกขาเนี่ยจิตใจเย็นๆเก็บเงินให้ได้ครบก่อนแล้วค่อยไปซื้อดีกว่าซื้อมาแล้วจะได้ไม่มีไม่เป็นหนี้สินไม่ต้องมากังวลว่าเขาจะมายึดเอารถคืนไปจะได้ไม่อับอายใครหน้าชาวบ้านเขาขับได้ไม่กี่เดือนเอาถูกเขายึดไปแล้ว นี่การปฏิบัติทมต้องใจเย็นเย็นต้องผ่านขั้นตอนของมันขั้นสมาธินี่ต้องพยายามสร้างให้มันแน่นให้มันเย็นทั้งขณะที่เข้าไปและออกมาแล้วมันจะได้มีกำลังที่จะมาใช้ปัญญาสู้กับความอยากต่างๆได้ พอสู้กับความอยากต่างๆได้หยุดความอยากต่างๆได้มันก็จะหยุดตัวที่จะฉุดให้จิตมาเกิดแก่เจ็บตายได้นั่นเองเพราะตัวที่พาให้มาเกิดแก่เจ็บตายก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่เองพอมีสมาธิที่แน่นแฟ้นที่มีอุเบกขาตลอดเวลามีปัญญาที่มองเห็นทุกขที่จะตามมาจากการไปทำตามความอยาก ก็จะเลิกทำตามความอยาก ท, ทันทีต่อไปความอยากก็จะหมดกำลังที่จะมาหลอกให้ใจไปทุกข์อีกต่อไปไปเกิดอีกต่อไปใจก็จะหลุดพ้นใจก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าใจที่สิ้นกิเลสผู้สิ้นกิเลสก็คือพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ก็มีสองชนิดผู้สิ้นกิเลสด้วยตนเองก็คือพระอาหารหันต์ตัสมมาสมพุทธเจ้า ผู้เส้นกิเลสด้วยคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็คือพระอาหารหันตาสาวกนะสาวกก็คือผู้ศึกษาผู้ฟังฟังจากพระพุทธเจ้ามีอาหารหันตพุทธมีพระอาหารหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงคนเดียวแต่มีพระอาหารหันต์ตสาวกเป็นแสนเป็นล้านต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาสิ้นกิเลสก่อนถึงจะรู้จักวิธีทําให้จิตสิ้นกิเลสได้ พอมีคนสอนปั๊บคนมาเรียนปั๊บก็สามารถทำจิตให้สิ้นกิเลสได้จึงมีพระอรหันต์เป็นจำนวนมากมาตั้งแต่ยุคสมัยพุท ธ, ธกาลมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ทำไมเรารู้ว่ายังมีพระอรหันต์อยู่ในโลกนี้อยู่เพราะเวลาตายไปกระดูกของท่านตายเป็นพระธาตุขึ้นมานั่นเอง นี่แหละคือผู้สิ้นกิเลสผู้ที่ไม่มีกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปชาติปัจจุบันเป็นชาติสุดท้ายอาดีตยังไม่เวลาไม่สามารถมาเกินกินจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอาหารหันต์ได้ พระพุทธเจ้าจะไม่เป็นอดีตพระพุทธเจ้าพระอรหันต์จะไม่เป็นอดีตพระอรหันต์จะเป็นพระพุทธเจ้าไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดจะเป็นพระอรหันต์ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเป็นพระดานาทิปดีเป็นมหาเศรษฐีต่อไปจะต้องเป็นอดีตศึกษาประวัติของอดีต ท, ท่านผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายตอนนี้กลายเป็นอะไรไปแล้วหายไปหมดแล้วเป็นเพียงแต่ตำนานเสียแล้ว นี่คือเรื่องของการทำประโยชน์ที่แท้จริงคือประโยชน์ทางจิตใจด้วยการไม่ประมาด้วยความระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้รีบขวนขวายรีบทำประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับกันเพราะว่าประโยชน์แบบนี้นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งนานๆจะมีคนมาบอกวิธีสร้างประโยชน์แบบนี้ ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีวันที่จะสามารถสร้างประโยชน์แบบนี้ได้เลยจึงรีบตักตวงเสียตอนนี้เพราะชาติหน้ากลับมาไม่รู้ว่าจะมาเจอพระพุทธศาสนาอีกหรือไม่นั่นเองการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปูราปิริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตตินัง เปตานังอุปปักปติอิจิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจโตุสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะราโสยธามณีโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควีนาสตุ มาเตผวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกผวะอภิวาทนศีลิตสะนิจจังวุธาปจายโนจตารโธรมาวาทานติอายุมโนสุขังภาลัง ต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากเลิกแล้วก็จะงดถามกันถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่คะวันนี้จาก f a c e b o o สา6ร้อ u ห u สิบเจ็ดยูทูบสองรสิบวิทยออนไลน์สิบเอดผู้รับฟังบนข่าวแปดสิบเอ็ด รวม751ท่านค่ะวันนี้รู้สึกมีปัญหาทางด้านเสียงเลยค่ะสัญญาณวิทยุ AIS ไม่เข้าค่ะทั้งสองอันเลยนะค่ะคอง YouTube กับ Facebook เข้าหรอเข้าค่ะแต่ทานหมดค่ะเมื่อคืนคงไฟตกค่ะไฟตกแต่ทางวิทยุออนไลน์ไม่มีเสียงเลยวันนี้เพิ่งเข้ามาช่วงที่คุณบอยแก้ไขค่ะโอเคถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้ ค่ะคำถามจากคุณวิจัยสักแต่ว่ารู้คืออาการของอุเบกขาจิตใช่ไหมครับนั่นแหละไม่รักชังกลัวหลงรู้เฉยเฉยไม่ใช่รู้แล้วบอโอ้ยอ้นั่นดีอันนี้ดีอันนี่ไม่ดีอันนั้นไม่ดีเฮียเรียกว่าไม่ได้รู้ไม่สักแต่ว่ารู้ถ้าสักแต่ว่ารู้ก็เฉยเฉยเขาดีก็เรื่องของเขาเขาชั่วก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรารู้แล้วเราเฉยเฉยไม่ไปรักไปชังไปกลัวไปหลง จะเป็นได้ก็ต้องทำจิตให้สงบเป็นโอบเบคาจะมาเสแสร้งมันเสแสร้งไม่ได้นะอ๋อฉันไม่รักอ่ะแต่ใจก็อยากจะได้ฮฉันไม่เกลียดหรอกแต่ใจก็อยากจะเตะมันนค่ะคำถามจากคุณธนากร พอเวลานั่งภาวนาสมาธิบางครั้งจิตก็ยกสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกเข้ามาภายในเป็นข้อธรรมเป็นข้อธรรมะน้อมเข้ามาสอนจิตตัวเองและถามตอบตัวเองอยู่บ่อยครั้งถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือเปล่าครับไม่ถูกหรอกปฏิบัติสมาธิไม่ต้องการยกย ก, ยกอะไรต้องการจิตนิ่งสงบไปนูเบะขาไปนานๆท่านั่นเองต้องใช้สติมากๆ ให้หยุดความคิดไม่ใชให่หยุดความคิดแท บ, บตายเพอะจะหยุดคิดก็เริ่มยึดคิดใหม่แล้วเนีกิเลสมันหลอกมันไม่ยอมให้เราหยุดคิดพอเราจะหยุดคิดได้ปั๊บมันบอกเอ้ยต้องปัญญาแล้วไปนู่นแล้วอย่างนี้คิดอีกแล้วอังน้นี่แหละกลอนของกิเลสถ้าไม่ได้ผ่านพราะทําผู้ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติผ่านมันจะไม่รู้กลอนของมันมันจะคอยขัดขวางไม่ให้จิตสงบไม่ให้เป็นอุเบกขา เพราะเพื่อนรู้ว่าอุเบกขานี่จะทำลายมันได้อย่างอื่นทำลายมันไม่ได้สู้มันไม่ได้ถ้าไม่มีอุเบกขาฉันอย่าเพิ่งไปคิดยกนึ่งนึงเอาจิตให้มันเย็นให้สงบได้ยี่บสี่ชั่วโมงก่อนเถิดให้มันสงบเป็นอุเบกขาได้ยี่บสี่ชั่วโมงแล้วค่อยไปยกปัญญาขึ้นมาคำถามจากคุณวชิราพร ถ้าหากเราสมนึกผิดกับการทำบาปจากอบายมุกในอดีตแล้วทุกวันนี้สวดมนต์แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งแบบนี้แบบนั้นจะตามเราไหมคะจะตกนรกไหมคะตามถ้าเป็นบาประดับนรกมันก็ตามเราอนะอดีตบาปนี้จะตามไม่ทันก็ต้องไปเป็นพาาาระอรหันตานั้นเช่นองคุลิมาเนี่ยเก้าคนถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคน พอพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกฆ่าผิดคนต้องฆ่ากิเลสอย่าไปฆ่าคนพอฆ่ากิเลสปับสิ้นกิเลสก็ไม่กลับมาเกิดพอไม่กลับมาเกิดกรรมมันก็ตามไม่ได้เอาโทษไม่ได้ยั้นถ้าทำกรรมมามากอยากจะไม่ให้ต้องไปรับผลกรรมอย่างน้อยก็ต้องเป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันก็ไม่ไปเกิดในอบายแต่ยังต้องรับกรรมจาก เจ้ากรรมในเวรเวลาเกิดมาเจอกันอยู่แต่ไม่ไปเกิดในอบายถ้าไม่ต้องการจะเกิดในอบายไม่ต้องการเจอเจ้ากรรมในเวรเลยก็ไม่ต้องมาเกิดอย่างเดียวคำถามจากคุณจิราภาหากเราได้มีโอกาสอยู่ศึกษาปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเห็นจริงคุ ณ, ณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกับการศึกษาปฏิบัติเองอย่างไรบ้างคะ อ้าปฏิบัติเองมันก็มันก็เหมือนกับดูแผนที่เองกับปฏิบัติที่มีคนพาไปมันง่ายกว่าคนพาไปก็ไม่ต้องมาเปิดแผนที่มานั่งมานั่งเก่ามานั่งคิดว่าว่าไปทางไหนวะทางนี้หรือทางนู้นเอพอมีคนนําทางพอมาถึงทางแยกก็เลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวขวาเลยว่าไปเลยเอ งั้นไปไหนมาไหนเรามักจะมีมักกูเทศสไงแล้ว ก, เกูเทศดีกว่ามีแผนที่คําถามจากคุณหมค์ขอข้อธรรมในการขจัดความท้อแท้หดหู่เศร้าหมองเจ้าค่ะกคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่ามันกําลังไล่กขาไล่ใกล้เข้ามาอยู่เรื่อยถ้าไม่รีบวิ่งหนีมันมันเดี๋ยวมันก็ตามทันนะอคิดถึงความตายอยู่เรื่อยมันจะได้กระตุ้นความเพียรได้ จะคุณบีนาลวงพ่อคะถ้าทำบุญครบรอบร้อยวันให้ผู้เสียชีวิตที่วัดกลับไปทำบุญกระถิ่นและอุทิศบุญให้ผู้เสียชีวิตเนื่องจากครบร้อยวันผู้ที่เสียชีวิตจะได้บุญเท่ากันไหมคะถ้าทำเท่ากันก็ได้เท่ากันนะมันไม่ได้อยู่บุญชนิดไหนไม่ได้อยู่ทำร้อยบาททำกระถินได้บุญมากกว่าทำร้อยบาททำผ้าป่ามันไม่ใช่เนหะทำร้อยบาทมันบุญชนิดไหนมันก็ได้ร้อยบาทเท่ากัน คำถามจะกคุณทนาพรเวลาเดินจงกรมรู้สึกว่าจิตรับรู้กายเคลื่อนไหวและจิตยังท่องพุโทโธอยู่แต่ตาเห็นรูปแต่เหมือนไม่สัมผัสหรือไม่รับรู้ในรูปเป็นอยู่ไม่นานเป็นเป็ น, ปนหายหายแบบนี้ส่วนที่เป็นจะเป็นช่วงที่เดินทางตรงกลับตัวมักจะหายไป จึงจะกลาวเปลี่ยนถามว่าเป็นอะไรและควรปฏิบัติต่ออย่างไรเจ้าคะก็เป็นอนิจจงนี่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจิตยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาการรับรู้ยังขาดขาดเกินเกินอยู่เพราะสติเรายังไม่สมบูรณ์ไม่ต่อเนื่องสติเผลอก็ไม่รับรู้พอพอสติไม่เผลอก็รับรู้ฉะนั้นต้องพยายามฝึกให้มันต่อเนื่องเป็นสัมปชัญญะรับรู้อยู่ตลอดเวลา คำถามจากคุณจินขอบจะสังเกตตัวเราได้อย่างไรครับว่าขณะนั้นสมาธิยังไม่พอกับการเจริญปัญญาและควรกลับไปทําสมาธิเพิ่มแล้วครับนั่นแหะมันสงบทั้งวันหรือเปล่าสงบทั้งวันทั้งคืนเดินยืนนั่งนอนหรือเปลอนิ่งควบคุมความคิดได้ตลอดเวลาหรือเปล้คาถามจากคุณสุวพัฒน ที่พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ทําบาปทําความดีชําระจิตใจให้ผ่องใสนั้นคําว่าชําระจิตใจให้ผ่องใสหมายถึงอย่างไรเจ้าคะ่ะก็กาจัดกิเลสตัณหาไงกิเลสตัณหาเป็นเครื่องเสะเป็นตัวทําให้จิตใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสพอกําจัดซักซักฟอกจิตใจด้วยศีลสมาธิปัญญากิเลสตัณหาก็จะหลุดออกจากใจไป เหมือนเสื้อผ้าที่สกรปรกก็ต้องซักพอกด้วยผงซักพอกด้วยน้ําพอซักพอกปั๊บเดี๋ยวเสื้อผ้าก็สะอาดบริสุดขึ้นมาคราบสกรปรกก็หลุดไปหมดนการซักพอกจิตใจก็คือซักพอกกิเลสตัณหาด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือด้วยศีลภาวนานี่เองคำถามจากคุณสุปราณีการไปช่วยแหกถินจะได้บุญไหมคะ ก็ได้แห่ไได้บุญที่เกิดจากการไปแห่แต่ไม่ได้บุญจากการเสียเงินทองมันบุญก็ลาอย่างกันทำอย่างใดก็ได้อย่างนั้นไม่ใช่ไปแห่แล้วจะได้บุญจากการเสียเงินทองมันไม่ได้มันคนลดมันคนละเรื่องกันเหมือนซื้อสินค้าซื้อสินค้าชนิดนี้จะแปลวสินค้าชนิดนั้นได้ยังไงก็ต้องก็ต้องได้ตามสินค้าที่เราจ่าย